ที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องตำนานผียายจันทร์เรื่องเล่าสุดน่ากลัวของหมู่บ้านยวนนะคะเรื่องน่าสยดสยองต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกเล่าจากสมาชิกพันธิบุตท่านหนึ่งถึงตำนานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าต่อๆกันมาค่ะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัย ไฟฟ้าก็เข้าแบบสว่างจ้ามีถนนกว้างขวางมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันซึ่งแต่ว่าสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ธุระกันดานไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งถนนก็คับแคบผู้คนมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนนะคะส่วนมากก็ทำอาชีพขายปลาขายไกย่มีบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตค่ะพื้นที่กว้างขวางบ้านหลังนั้นตั้งเด่นสง่าอยู่ต้นซอยมีผลไม้ปลูกไว้เต็มบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเป็นแค่ยายแ ก, แก่ชื่อว่ายายจันทร์ แต่แกอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะทุกๆวันยายจะต้องตื่นแต่เช้ามาเพื่อรดน้าต้นไม้และสำรวจข้าวของและผลไม้ว่าหายมากแค่ไหนสิ่งที่คุณยายชอบทำก็คือนั่งอยู่บนบ้านมองลงมาที่สวนผลไม้ใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องเห็นแกนั่งอยู่บนนั้นจนเป็นเวลาพลบค่าค่อยเข้านอนค่ะ ช่วงเวลาที่แกเข้านอนนั้นก็จะมีคนปีนกำแพงขโมยผลไม้ทุกวันซึ่งยายก็รู้ดีนะคะว่าพวกที่มาขโมยผลไม้นั้นมันเป็นใครแต่แกก็ปล่อยให้พวกนั้นขโมยไปจนวันที่ยายจันตายก็ไม่มีลูกหลานมาทำศพ คนที่เข้าไปเก็บศพนะคะเขาก็เล่าว่าแกนอนอยู่บนกองเลือดข้างๆศพมีข้อความบอกว่าสมบัติของกูห้ามใครแตะต้องลูกหลานห้ามมองมือไม้ห้ามจับแม้ตอนกูตายเป็นผีอีเท่ากูจะคอยเฝ้าสมบัติของกูไอ้ีตนใดเข้ามายุ่มย่ามกูจะตามฆ่าหลอกหลอนทั้งโคตรตอนที่มีชีวิตอยู่ยายจันอยู่อย่างโดดเดี่ยวค่ะแล้วก็ลูกหลานก็หายหมด จะกลับมาเยี่ยมเมื่อได้ข่าวว่าแกไม่สบายใกล้าตายเท่านั้นสมบัติยายจันไม่ถูกยกให้ใครมีพินัยกรรมหรือกระดาษเก่าๆเป็นข้อความบอกว่ากูยายจันเจ้าของทุกอย่างในที่ดินนี้มีลูกหลานเป็นสิบกว่าคนแต่ไม่สามารถพึ่งพาใครได้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อใดที่กูตายอ ย, ย่าเหยียบเข้าบ้านกูสมบัติกูจะไม่ให้ใครได้ทั้งนั้นกูจะอยู่ดูแลเอง บ้านถูกปิดตายแล้วก็ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาการตายของยายจันสร้างความน่ากลัวให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านต้องเดินผ่านบ้านของแกเวรกรรมก็ต้องตกอยู่กับพวกที่ทำงานนอกบ้านแล้วก็ต้องกลับบ้านดึกๆดด่นๆซึ่งเวลากลับบ้านเนี่ยวิ่งหน้าตั้งกันทุกคนนะคะบางคนอยากลองดีเดินช้าๆแล้วก็มองเข้าไปในบ้านก็ปรากฏค่ะว่าเห็นยายจานันแกนั่งอยู่บนต้นมะม่วงชี้หน้าด่าตวาดมาขโมยของกูใช่ไหม ไปไกลๆบ้านกูเลยนะจนไม่มีใครกล้ากลับบ้านค่าๆอีกเลยนะคะเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีรถรับจ้างค่ะเป็นรถซาเล้งเก่าๆประมาณสี่ห้าคันมาจอดรถเรียงแถวคอยรับส่งคนในหมู่บ้านแล้วก็คนนอกหมู่บ้านคนรับจ้างทุกคนเป็นคนนอกหมู่บ้านค่ะก็เลยไม่รู้เรื่องของผียายจันคนในหมู่บ้านเวลากลับบ้านดึก ก็จะจ้างรถซาเล้งเข้าไปส่งถึงหน้าบ้านคนขับซาเล้งก็สังเกตนะฮะว่าบ้านยายจันทร์ไม่มีคนอยู่แต่ว่าบ้านเนี่ยกลับไม่ซุดโทมแถมยังมีผลไม้เต็มไปหมดก็เลยวางแผนขโมยผลไม้พอส่งลูกค้าในหมู่บ้านเสร็จนะคะก็แวะขโมยผลไม้ขณะที่ซาเล้งกําลังจะปีนกําแพงนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงยอดต้นมะม่วงก็เห็นยายจันเนี่ยแกนั่งยองๆ อ, อยู่บนต้นไม้ ดวงตาของแกสีขาวอาปากกว้างพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องค่ะคนขับซาเลงนี่ตกใจพลัดตกกาแพงวิ่งแบบลืมรถเลยทีเดียวเสียงของยายจันก็ยังคงดังกล้องอยู่ในหูทําให้หูบอดไม่สามารถได้ยินเสียงภายนอกแต่ว่าได้ยินเสียงของยายจันตลอดเวลาค่ะ และที่น่าแปลกใจก็คือรถซาเล้งที่คนขับลืมไว้เข้าไปอยู่ในบ้านของยายจันทร์ทั้งๆ ท, ที่บ้านถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปได้แต่ว่ารถกลับเข้าไปจอดอยู่นะคะยายจันทร์กลายเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ผู้ที่ล็อกกุญแจบ้านให้ยายจันทร์บอกว่าผมเผากุญแจไปพร้อมกับศพยายจันทร์แล้วครับซาเล้งที่ไม่กลัวยังคงรับจ้างต่อไป วันหนึ่งก็มีคนขับซาเล้งอยากไปลองดีที่บ้านยายจันค่ะส่งเสียงดังด่าทออีแก่อีจันไรตายแล้วจะห่วงสมบัติไปทำไมหลอกเพื่อนกูจนหูบอดแล้วยังหลอกคนในหมู่บ้านอีกวันนี้กูมาท้าแน่จริงออกมาสู้กับกูกูจะตกในความเลยกูจะเอาของไปขายให้หมด ซาเล้งคนนี้พูดพร้อมกับปีนรั้วบ้านของย า, จายจันเข้าไปเก็บมะม่วงคว้างลงมาบนถนนเต็มไปหมดค่ะเก็บไปบนไป พ, พึมพำบอกว่าไหนละผีอีกแก่ออกมาสิโว้ยเมื่อซาเล้งเห็นว่าไม่มีผีพร้อมกับกำลังจะหันหลังกระโดดลงจากกำแพง ลันก็ได้ยินเสียงคนรถน้ำต้นไม้แล้วก็ปากร้องเพลงวัดเอยวัดโบดนะคะมีตาลตโนดอยู่เจต้นเออยนะคะเป็นเพลงกล่อมลูกสมัยโบราณคนขับซาเลงก็หันกลับไปดูก็เห็นผียายจันยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงพร้อมกับตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาหาคนขับซาเลงวินาทีนั้นเองค่ะคนขับซาเลงเนี่ยช็อกจนตกลงมาจากกาแพงพร้อมกับรีบขี่รถออกไปปากก็ร้องโวยวายบอกว่าผีหลอกช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ตาเหลือบมองกระจกข้างก็เห็นผียายจันทนี้นั่งอยู่ข้างหลังหน้าตาแบบเยาะเยะ้ยหัวเราะเสียงแหลมๆบอกว่าจะตบกูเหรอตบกูสิตบกูสิชาวบ้านไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยร้องเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านให้รื้อบ้านยายจันทร์ทิ้งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งอยากได้ที่ดินของยายจันทร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจึงเข้ากับแผนการของผู้ใหญ่บ้านค่ะ ผู้ใหญ่บ้านต้องการที่จะทุบทิ้งแล้วก็ซื้อต่อแต่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะว่าอยู่ๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็หายตัวไปดือ้อๆชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาแล้วก็ไปดูที่บ้านยายจันทร์แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะก็ตามหาอยู่เกือบประมาณ3สัปดาห์เจออีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นศพถูกแขวนคออยู่หน้าบ้านรั้วยายจันรสภาพศพขึ้นอืดจนเต็มที่ตานี้ถลนลิ้นจุก ป, ปากแต่ก่อนหน้านี้กลับไม่มีใครพบศพ ชาวบ้านต่างไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านของยายจันนะคะกลัวว่าจะต้องตายแบบผู้ใหญ่บ้านเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ผียายจันนี่กโกรธเคืองส่งเสียงกรีดร้องทุกค่ำคืนตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนีบ้านทุกหลังคาเรือนจะต้องปิดประตูมิดชิดแล้วก็มีคนเล่าค่ะว่ายายจันแกจะเดินเคาะประตูถามทุกบ้านช่างฟ้องช่างยุปากว่างมากใช่ไหมกูจะตัดลิ้นพวกมึงทิ้ง เสียงของยายจันพูดให้กับชาวบ้านที่แกไปตะเวนไล่เคาะประตูบ้านของแต่ละหลังคาเรือนนะคะยายจันทรเริ่มแก้แค้นคนที่เอาเรื่องของแกไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยเริ่มจากตัวแกนนําก่อนเลยป้าคนนี้ชื่อว่าป้าแดงค่ะเป็นญาติห่างๆของผู้ใหญ่บ้านป้าแดงได้รับข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้ายุยงคนในหมู่บ้านให้ลงมติหรือบ้านยายจันทร์ทิ้งได้ป้าแดงจะได้ส่วนแบ่งจํานวนมากค่ะก็เลยทําให้เกิดความโลภ เป่าหูให้ชาวบ้านเชื่อคําของตนชาวบ้านก็เชื่ออย่างง่ายดายเพราะว่าใจมันก็กลัวผีอยู่แล้วข่าวการตายของผู้ใหญ่บ้านก็เลยเป็นที่พูดถึงในช่วงนั้นชาวบ้านก็คิดไปต่างๆนานาว่าผู้ใหญ่บ้านที่ตายไปเนี่ยเพราะว่ายายจันทรเป็นคนฆ่าป้าแดงซึ่งเมื่อรู้การตายแบบปริศนาของผู้ใหญ่บ้านก็เกิดความกลัวค่ะไม่กล้าออกจากบ้านไปเจอหน้าผู้คนผียายจันทรไปหาป้าแดงเคาะประตูเรียกบอกอีแดงอีแดงออกมา กูจะเอามึงไปอยู่กับไอ้ผู้ใหญ่ออกมาเนื้อตัวของป้าแดงเริ่มมีกลิ่นเน่ามีแผลตามตัวแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปพูดคุยคนเดียวตาเหลือกไปมาในระยะเวลาไม่นานป้าแดงก็กลายเป็นคนบ้าพูดถึงแต่เรื่องของยายจันทรจนวันนึงค่ะป้าแดงกรกรีดร้องเสียงดังวิ่งตรงไปที่บ้านของยายจันทร์้องไห้ฟูมฟายหันหน้าพูดกับบ้านยายจันทร์บอกว่ากูขอโทษกูขอโทษ ปล่อยกูไปเถอะอย่าหักแขนหักขากูอีกเลยนะกูจะทําบุญไปให้ป้าแดงบอกว่าเจ็บเจ็บไปหมดแล้วไม่หักแล้วจะทําอะไรก็ทําปล่อยกูป้าแดงก็ดิ้นทุรนทุรายค่ะพร้อมกับเอามื อ, อเข้าไปในปากแล้วก็ดึงลิ้นตัวเองออกมาแล้วก็พูดนะคะบอกว่าปล่อยกูปล่อยกูไปเถอะยังพูดไม่จบค่ะแกดึงลิ้นของแกออกมาพร้อมกับอามีตัดจนขาดนะคะแล้วก็นอนดิ้นชักอยู่กับพื้นบ้านชาว บ, บ้านไม่กล้าเข้าไปช่วยค่ะ จนแอะแกหยุดดิ้นแล้วก็ตายไปเองส่วนคนที่เหลือก็เป็นใบ้ไปเฉยๆก็มีบางคนก็เดินไปผูกคอตายที่รั้วบ้านของเยจันร์ก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ถูกโพสต์ลงในพันทิปโดยสมาชิกหมายเลข3876170กน็ะคะก็ขอบคุณสำหรับคุณศักศรีบุญรังสีด้วยนะะที่เรียบเรียงข้อมูลแล้วก็นำมาให้เราได้พูดถึงค่ะเรื่องราวของตานาน ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยจะเป็นสถานที่ราชการเป็นวดัดเป็นโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ่งผ่านคืนผ่านวันมาเนิ่นนานมากแค่ไหนแต่ว่าเรื่องเล่าที่ถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นม่เคยจางหายนะคะก็ยังคงถูกเล่าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นเรื่องนี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่บีนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอาถันดอนปู่ตาค่ะเมื่อหนุ่มใหญ่นะคะบอกว่าอยากจะกินต่อหัวเสือจนต้องเส้นสังเวยด้วยชีวิตนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤ ศ, ศจิกายนค่ะปี2560ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีต่อหัวเสือนับร้อยตัว ต่อยคนตายแล้วก็ญาติได้นำศพมาตั้งบาเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านเล็กที่17หมู่7บ้านบัวตำบลคำนาดีอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยผู้ตายได้ถูกต่อหัวเสือรุมต่อยที่บริเวณใต้ต้นไม้ในดอนปู่ตาซึ่งสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านต่างก็ร่ำลือกันค่ะว่าเป็นเพราะว่าอาถรรพ์ของดอนปู่ตาที่คนตายเนี่ยเข้าไปเอารังต่อโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่ก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นมานะคะ สำหรับผีปู่ตาเป็นผีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือบูชาจนเรียกว่าปู่ตาเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของตนค่ะสารสำหรับปู่ตาก็มักปลูกไว้ในที่ดอนจึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอนปู่ตาหรือว่าดอนตาปู่บางแห่งอาจจะเป็นผีสองสามีภรรยาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าผีตายายหรือผีปู่ย่าก็มีนะคะ พีปูตาจัดเป็นผีประเภทบรรพบรุษค่ะโดยเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็เคยอาศัยในสถานที่นั้นมาก่อนกรั้นเมื่อเสียชีวิตไปแล้วด้วยความอลาลัยรักในสถานที่นั้นดวงวิญญาณก็ยังคงสิงสถิตแล้วก็วนเวียนคอยดูแลคุ้มครองรักษาสถานที่นั้นๆอยู่ ผีปู่ตาเมื่อพูดตามลักษณะทางภพชาติก็มีทั้งที่เป็นพูดผีจริงๆนะคะอาจจะเป็นผีประเภทพวกอสุรกายแล้วก็ที่เป็นเทวดาอันนี้ก็จะเป็นรุขขาเทวดาก็มีเป็นภูมิเทวดาก็มีค่ะ โดยผีปู่ตาเป็นผีระดับสูงคือมีอํานาจมากมีบารมีมากเหนือพูดผีและสัมภเวสีทั่วไปในแถบนั้นบริเวณนั้นผีปู่ตาก็จะมีทั้งบริวาร น, นะคะจํานวนมากแล้วก็บริวารจํานวนน้อยก็คือขึ้นอยู่กับบารมีของผีปู่ตาหรืออาจจะอยู่แค่ลําพังก็มีเหมือนกันสมัยก่อนหมู่บ้านตามภาคอีสานแทบจะทุกหมู่บ้านเลยนะคะเมื่อแรกสร้างหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้น อาจจะมีคนเคยอาศัยอยู่มาก่อนอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางคอยห่วงแหนรักษาไว้เมื่อจะตั้งหมู่บ้านก็ต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งขออนุญาตแล้วก็ต้องสร้างที่พักให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วยซึ่งเราเรียกที่พักนี้ว่าศาลซึ่งศาลเจ้าแต่ละที่นะคะก็จะแตกต่างกันก็แล้วแต่ผู้สร้างละค่ะว่าจุดที่สร้างศาลเจ้าที่เนี่ยจะเป็นจุดไหนซึ่งจริงๆโดยมากก็จะสร้างไว้นอกหมู่บ้านในที่ที่เป็นป่าละเมะ หรือเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็ชาวบ้านก็จะกำหนดขอบเขตไว้เลยนะคะว่าขอบเขตเท่านี้เป็นอนณาเขตของผีปู่ตา ห้ามใครเข้าไปถากถางหรือว่าทำกิจส่วนตนแล้วก็มอบสิ่งของทั้งหลายในอาณาเขตนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัสตว์ต่างๆให้เป็นทรัพย์สมบัติของผีปูตาค่ะที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินส่วนที่เหลือขออนุญาตให้ชาวบ้านไว้ทำมาหากินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ขอให้ผีปูตาเนี่ยช่วยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านด้วยซึ่งก็มีพิธีกราบไหว้ขอขมาผีปูตาปีละครั้ง ในช่วงประมาณเดือน6นะคะหรือที่เรียกว่างานบุญเบิกบ้านหรือตามที่หมู่บ้านนั้นๆกำหนดส่วนอำนาจบา ร, รมีมีที่มาใหญ่ๆอยู่สองอย่างก็คือจากบุญของตนและจากผู้อื่นมอบให้ผีปู่ตาเนี่ยเมื่อมีคนกราบไหว้บูชายกให้เป็นใหญ่อำนาจบา ร, รมีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งคนที่ศรัทธามากกราบไหว้มากอานาจยิ่งมีมากขึ้นอำนาจอันนี้เป็นอานาจที่เกิดจากผู้อื่นมอบให้ค่ะ เมื่อมีอำนาจมากขึ้นฤทธิ์แห่งผีก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันก็เลยทำให้ปู่ตาเนี่ยสามารถคุ้มครองรักษาหมู่บ้านจากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นได้เช่นการป้องกันการขับไล่ผีแต้หงผีปอบหรือผีร้ายอื่นๆรวมถึงอาถรรพ์อาคมร้ายทั้งหลายนะคะไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นก็ช่วยดูแลผืนปา่ารวมถึงสัตว์ที่อยู่ในอาณาบริเวณให้ปลอดภัยจากการทาลายจากการถากถาง มักจะเป็นเรื่องราวอยู่เสมอนะคะเมื่อมีคนเข้าไปตัดต้นไม้หรือว่ายิงสัตว์ในอานณาเขตผีปูตานั่นก็คือผีปู่ตาก็จะมาสั่งสอนโดยการเข้าสิงใครคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านแล้วบอกเล่า ว, ว่ากล่าวตักเตือนหรือกรณีสั่งสอนหนักหน่อยก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยแบบไม่รู้สาเหตุหมอธรรมดารักษาไม่หายเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องเกรงกลัวไม่ค่อยมีใครกล้าตอแยกับผืนป่าแล้วก็อาณาเขตผีปูตานะคะ ซึ่งปัจจุบันมักพบเห็นร่องรอยดอนปู่ตาอยู่ในหลายๆหมู่บ้านผีปู่ตานี่ไม่ใช่พูดผีร้ายที่หลอกหลอนคนแบบนึกสนุกไม่ใช่พูดผีร้ายที่ทำร้ายคนแบบไร้เหตุผลผีปู่ตาเพียงทำหน้าที่ปกป้องดูแลคุ้มครองคนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านให้ปลอดภยัยและก็มีความสงบสุขค่ะ แต่หากใครผิดกฎระเบียบหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผีปู่ตาก็อาจจะมาสั่งสอนซึ่งการสั่งสอนหากเป็นคนด้วยกันเนี่ยก็พอทําเนาหานะคะแต่หากว่าเป็นสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นมาสั่งสอนก็น่ากลัวและอาจจะไม่เรียกว่าถูกสั่งสอนก็ได้เรียกว่าถูกผีหลอกแทนก็ยังดีกว่าบางแห่งคนในหมู่บ้านนะคะทําผิดกฎระเบียบมากก็ดีปู่ตาขยันดูแลคุ้มครองก็ดีก็จะเป็นที่ร่ําลือกันว่าหมู่บ้านนั้นๆ ปู่ตาเฮี้ยนมากสุดท้ายคนก็กลัวะเด็กๆ ก, ก็กลัวก็ต้องไปนิมนต์พระเกจิดังๆมาปราบมาขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นปัจจุบันนี้คนที่ให้ควา ม, มเคารพยำกรงผีปู่ตามีน้อยลงนะคะหรืออาจจะเหลือแค่คนเฒ่าคนแก่ยุคแรกก็เริ่มสร้างหมู่บ้านเท่านั้นที่เคารพยำกรง เมื่อคนอเคารพยำกระเงลดลงไม่มีคนขอให้ดูแลคุ้มครองอำนาจบารมีก็ลดลงตามไปด้วยหรือเมื่อไม่มีใครขอให้ช่วยดูแลผีปู่ตาก็ไม่แยแสไม่สนใจเช่นกันสุดท้ายค่ะต่างคนต่างอยู่คอนเวิร์ตกันไปเลยระหว่างคนระหว่างผีคนก็ไม่ทำบุญให้ผีผีก็ไม่ได้ดูแลคนและสุดท้ายดอนปู่ตาเป็นยังไงทีนี้เป็นแค่ตำนานค่ะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานแห่งบรรพชนทั้งนี้จากบทความของกันนิกาพรหมสาว เคยได้บอกเรื่องราวของดอนปู่ตาไว้นะคะว่าการบุกเบิกที่ดินทำกินและก็การสร้างชุมชนในป่าจึงต้องมีการขออนุญาตจากผีเจ้าป่าเจ้าเขาซะก่อนและที่ทำลงไปก็ทำเพียงเพื่อแก่กันอย่างชีพเท่านั้นนะคะ ด้วยความเชื่อในเรื่องอของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีที่คอยคุ้มครองดูแลรักษาป่าเขาก็ก่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบการพึ่งพาอาศัยกัน ร, ระหว่างคนกับป่าที่แสดงออกมาในรูปของพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อต่างๆนะคะเช่นว่าชาวบ้านได้อาศัยสายน้ำเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตแล้วก็การดารงชีพของมนุษย์ ชุมชนแสดงออกด้วยการทําพิธีบวงสวงผีขุนน้าและดูแลรักษาป่าต้นน้ําอันเป็นที่อยู่ของผีขุนน้าทุกปีเพื่อแสดงความกตัญญูหรือการเส้นไหว้ดอนปู่ตาก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิกในชุมชนค่ะจะเห็นได้นะคะว่าตามความเชื่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรั พ, พยากรจากป่าล้วนแต่มีจิตวิ ญ, ญญาณที่มองไม่เห็นดูแลอยู่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปู่ตา การหมายจะหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าจึงต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะถือว่าทุกชีวิตในป่านั้นต่างเป็นบริวารของปู่ตาทั้งสิน้นการจะไปรังแกหรือว่าเบียดเบียนชีวิตใดๆที่เป็นบริวารของปู่ตา อาจจะประสบกับเหตุอาถรรพ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างช้านานเชื่อหรือไม่คุณผู้ฟังก็ควรที่จะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหมดเวลาของ B ีประจําวันนี้แล้วล่ะค่ะช่องของเราก็จะมีทั้งเรื่องราวที่เป็นตำนานเรื่องราวที่คุณผู้ฟังประสบพบเจอมากับตัวเองนะคะหรือเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของพระเกจิต่างๆที่ท่านไปประสบพบเจอมากับตัวทน เองแล้วก็สาระความรู้ที่ให้แง่คิดคำคมไว้เตือนคุณผู้ฟังด้วยยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช anel ของ B ด้วยนะคะกับช anel นี้พระเจอผีกลับมาเจอะเจอกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ